เมื่อได้ตอบยมบิดาแล้วยมบิดากเลยว่าเออจะผลยาให้กินเดี๋ยวกอย่อนไหนว่าอย่างนั้นแล้วยมก็เลยแก่ถงยาออกแล้วก็เอาน้ำใส่ขันขนยาใส่ขันน้ําให้ขณะที่ยมบิดาขนยาอยู่นั้นกินขอยาหอมหน้าฉันหน้าเดิน จริงจริงดรู้สึกว่าูกกระจริงปอแล้วคกายกากระวาจะมีกาลังขึ้นขึ้นเลยเมื่อยอมบิดาผลยาเสร็จแล้วก็ได้ยกไปถวายข้าพเจ้าข้าพเจ้าผันจนหมดยิ้มยาจิตในผันนั่นเลยอแต่ต่อจากผันยาก็ตื่นขึ้นก็ดีรู้สึกตัวนึกว่าตัวได้ันยาจริง ๆ, ๆเมื่อวันที่จะนาแล้ว เป็นเรื่องของลิมิตหรือววามฝันตัางหาตพอตอนนั้นมาวันใหม่อาการของไข้ก็เลยลดลงไปจนหายไข้ขาดไม่มีไข้ต่อไปและร่างกายก็มีกำลังขึ้นชันอาหารก็ได้เป็นปกติตั้งแต่นั้นมายังไม่เคยปรากฏการเจะบป่วยแบบนั้นไปอยู่ที่ไหนไหนรู้สึกว่าอาการไข้ไม่มี จะเปลี่ยนข้เหตุอะไรพ่อไม่ทราบจะเปลี่ยนข้อไหนพ่ได้ฉัญญานหนาหนูพ่อไม่ทราบแต่ก็ไม่ไ ด, ฉด้ฉันด้วยจริงๆฉันด้วยนิมิตในความฝันต่างหากมเมื่อการเจ็บป่วยได้หายแล้วก็เป็นไดถึงคุณิดามันดาว่าอ๋อคุณฤดามารดานี่มีมหาศาลหาประมาณไม่ได้มีบนคนมากเลยแต่อุทิศบนกุศล ที่ตนดาเกิ น, นมาตั้งแต่เล็กจนปากเข้าตลอดชีวิตขอทิพย์ยให้แกยอมทำสองคือบิดามันดาผู้เรือรับไปหากยอมทั้งสองเตือยดีดามัรดาผู้เรืองรับไปท่านเดวนวิญญาณขอ ง, องท่านจะยิงสิงคุติฤนะที่แห่งหนตําบลหนสติใดสมเหตยใจระพดชั้นใดขอให้บุญกุศลที่ขา้าพเจ้าทิพยนี้จนถึงเยอมทำสองนั่น แล้วให้ยนทั้งกองัน ไ, ได้รับจนบริปุทธเมื่อรับแล้วขอให้ท่านทัง้งกอนั้นได้พ้นจากทุกภัยอันตรายาดังนี้แล้วต่อจากนันานอาการไข้ก็อยู่ที่ไหนที่ไหนก็สงบรเรียบและดูต่อมาไปจะเข้าภาษามีเน้นหนึ่งข้อขาวเท่ากนหนึ่งซึ่งเป็นยากน้องตาไปจ้ะแล้วก็แม่ชี้แก คนหนึง่งมาอยู่ด้วยและใกล้จะเข้าพรรษาอีกเจ็ดวันเท่านั้นยมผููพ่อตาทั้งสามครอบคัเรือนนั่นแหละสองครัวเรือนนั่นไดมาในมลข้าพเจ้าไม่ให้โยมจรมสาที่ขับจักเพราะเขาเห็นว่าเขาเป็นคนจนจนอดไม่มีข้าวกินกลัวจะเลี่ยงพระเนนไม่ไหวว่าพระเน้นจะอดก้าตาย เขาดำริอย่างนี้จึงพร้อมกันทั้งสองคนมาในมลให้ข้าพเจ้าหนีไป จ, จำมัณฑะที่อื่นไม่ให้จำมัณฑะที่สาคัญข้าพเจ้าเลยตอบยมทั้งสองมาลาเหลววันนี้ก็ควรจะหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้จึงค่อยที่มากันให้ปรึกษาครัให้ปรึกษาพวกแรีนข้าพาดูก่อนแล้วชาวบ้านสองคนเขาก็กลับบ้านกอนพบกันเวลาดการเตรีข้าพเจ้ากประชุม พวกแนนขาาขาวและแม่สีว่าตัทตาที่เลี้ยงพวกเราอุปถามพวกเราเขามีมนให้พวกเราหนีเพราะเขาไม่มีข้าวาห้พวกเราจริงตัวพวกเราจะอดข้าวตายเขามีให้จำมมสาทีิให้ไปจัมมสาที่อื่นพวกเราจะว่าอย่างไรยายซีแก่ได้ยินดังนั้นแพกพูดขึ้นว่าเออดีเขานิมนให้นี คนนี้สิเขาก็นี้ข้าวให้กินจะอยู่ทำไมนี่ยายสีแก่แก้ว่ตัจำแต่เขาไม่นิมนต์พ่อว่าจะหนีอยู่แล้ววันนั้นแล้วถามเน้นๆก็ว่าจะไปถามถ้ า, าเท้าเท่าถ้ า, าเท่าต่อไปจะไปะเจ้าก็เลยถามว่าจะไปวันไหนไปวันพรุ่งนี้จะไปจํารรษาที่ไหนเขาบอกว่าไปจํารรษาที่บ้านจิลเล็กตู้ เ, เ, เดินหน้อเออพากันไปสอ ว่าอย่างนั้นพยายชีแก่แกระย่อนถามตาไปเจ้าอ่ะอาจารย์มันไปหรืึตาไปเจ้าตอบยายชีแก้ว่าสําหรับบัตมาไม่ไปแล้วเพราะว่าบัตมาตั้งใจจะจำมรนสาที่จำจำยายชีแก่วจําอย่างไรเขาไม่มีข้าวให้กินจะกินอะไรตาไปเจ้าตอบยายชีว่าไม่มีข้าวเขามากินกินแต่น้ําเพราะว่าข้าวเขาเคยกินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้เมื่อกินข้าโยู มันภาวนาไม่เป็นที่นี่มันไม่มีข้าวกินก็ไม่กินมันจะอดอยู่อย่างนั้นนะกินน้ำเอาและข้าพ เ, เจ้าเขาว่ามันใบเมา่าลมสีแก้วใช้เอาใปเมาให้ไม่มีก็กินน้ําอืำจะขอจํารรษาที่นี่ไม่ไปแล้วถึงจะอดถ้ า, ามนันมีข้าวกินก็ยอมตายในพรรานี้ไม่ถอยจะประกอบแต่ความภาคความเทียน คนงามคนดีเท่านั้นให้ตายอยู่ในตุงงามคนดีไม่ไปเป็นเด็ดขาดพวกเล่เขาวก็เขาเนีนจะไปก็ไปเถอะอนข้าพเจ้าไม่ไปน่ตายก็มันตายเสีต ย, ยตายโดยการคำา็พลาดคนเดียว น, น่ะและจะได้เป็นประวัติสืบต่อไปว่าพระพุทธงคกรรมาฐานเป็นผู้ที่นใจเด่นเดียวไม่มีข้าไม่มีอาหารกินหมดข้าวอรรถน อุตาหจำภาษาที่ตั้มจันททำคมภาพกุเพียนจนตายเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่วงขณะปฏิบัติต่อไปไม่ไปแล้วเมื่อพระเจ้าประกาศอย่างนั้นว่าไม่ไปพวกเนรพวกข้าวเผาได้ใจสี่แก่พราะว่าถ้าอาจารย์ไม่ไปพวกผมก็ไม่ไปอาจารย์ใจก็ใจด้วยทตกลงเลยได้จัมมัสาร่วมกันในภาษานั้นตั้นโลกตั้งใจทำคุณภาพกุเตียนโดยสะดวกจากตายทีเดียวและ ในสถานที่ทําจันนั้นมีของกแปลกมากมีพระบราณฝังอยู่ในดินตะกันขุดด ต, ตามาพบแสนพระพบพระเสียนพระและตัวของพแต่เป็นพระเจสรโดยมากและที่ทําจันนั้นสมัยนั้นมีสัตว์ป่ามีช้างมีเสือมากทีเดียวพวกหูใหญ่หูจังอางก็มากมา บ่อยๆพวกช้างมาจะใกล้ที่ตั้มจันนั่นๆนั่นเองหากินอาหารโดยตามบริเวณนั้นเมื่อออกก็ตกลงข่าววันนี้แหละข่าวที่ว่ากระอดข่าวอดน้ำขาวที่มันหนี้ได้ยินไปตามหมู่บ้านที่ลอบหมู่บ้านรอบเขาก็้ามาสืบดูเห็นว่าตั้มจันกันดานมากตกลงพวกหมู่บ้านที่รอบดูไกลนั่นเขาจะลอยแต้มกันให้สน อาหารเจ็ดวันต่อครั้งเจ็ดวันต่อครั้งอ่ะทีนี้คราวนี้ก็ได้ยินไปถึงอำเภอริมการสมัยนั้นหมอพักโสระกับกินดาซึ่งเป็นหมออนาณาไมคือพ่อหน้าหมออาามัยูป่าายออยยประจําอยู่อันเพิ่มได้ยินก็มาก็ปไปสืบดูเห็นว่าที่ปัญกันันดานมากก็เลยแจ้งคนให้ไปส่งอาหารเจ็ดวันสมชักเจ็ดวันสมชัตตกตกลงว่าในปัญญา น, นั้นการปกแต่งอาหารประโรมก็บนดี พอสมควรไม่กดไม่ยากนี่ไม่ขาดไม่เสินไม่หิวไม่หอดนี้จะเป็นเพราะอันติอา น, นิสงส์แห่งความอด ท, ทนอย่างนี้ก็เป็นได้นะนี่แหละเมื่อออกปัญจาแล้วอ่าพวกแม่ขาวแม่ชีพวกพวกระเนรเขา ก, กลับนี่ไปบ้านเขาอ่าทีนี้ยังเหลือข้าพระเจ้าอยู่นั่นอีกโยมา หลวงครูบัวที่อยู่ดอนบัดบันน้องแจงท่านก็มาอยู่ห้องด้วยในเราดูแรกอ่ขาขณะที่หลวงครูมาอยู่นั่นอ่าท่านว่าที่ท่านจันนี่ผมได้ตอนว่าภาวนาดีแต่เลยมุ่งหน้าไปที่ท่านจันเมื่อไปแล้วท่านก็ตกัต้งอกตั้งใจทำกุศลทำความภาคกียนอยู่ที่นั่นตั้งแต่เดือน ทันว่าจนถึงเดือนพรษภาคะที่อยู่ร่วมกันกันหลวงสุงบัวระหว่างดูแ่งที่ทำจำแน น, นได้ปฏิบัติร่วมกันและก็ได้สนทนาปลาศัยปลายปฏิบัติทำทั้งด้านภายนอกและภายในเพื่อเป็นการแรกเปลี่ ย, ยนความรู้เสมือนพร้อมกันและกันในทางปฏิบัติครับ หลวงคบัวท่านในเล่าประวัติของท่านคือความเป็นมาในการปฏิบัติกรรมในการภาวนาของท่านเล่าให้ข้าพ เ, เจ้าจำข้าพระเจ้าจําได้ว่าสมัยที่ท่านยังอยู่วัดหล้ำแสงผู้ดอนั่นท่านได้เข้านิโรธสมาบัติกำหนดสามวันบ้ า, บางเจ็ดวันบ้างจึงออกจากที่ภาวนาท่านได้อย่างนั้น และค้าพเจ้าพรายาถามผ่านบ่ามิเทีเข้านิโรอเข้าอย่างไรท่านบ่าเมื่อพิจารณาไปหรือบริกรรมไปจิตมันบางอารมณ์มันรวมอยู่สัตว์จิตใสบริสุทธิ์หมดสุดอยู่านั้นมันบางเวทนาไม่มีเวทนาไม่ปรากฏเวทนาทางกายทางขาดทางขันเลยจิตออกจากขาด อยู่เพาะจิต่อนรู้วันบริสุทธิ์ใจสะอาดอยู่อย่างนั้นมีความสุขมากท่านว่าอย่างนั้นนี่ทางเกา้ามิโรดเวลาออกมาข่าวเจ้าเลยถามเวลาจิตถอนจากขณะเป็นอย่างไรเวลาจิตถอนจากขณะก็เบากายเบาใจทําให้กายและใจสบายดีมีความเบิก บ, บานกายและใจชุ่มชุ่มอยู่ตลอด เวลาผ่านมาทีนี้เวลาปกติอยู่ด้วยอะไรเรียนถามท่านเวลาเวลาปกติผ่านมาก็อูด้วยความสงบอ่าแล้วก็มีความสีสีดีต่อจิตของตนที่รวมลงสู่พระบางังหรือสีติจิตนั่นนั่นการว่าอย่างนั่นข้าพระเจ้าก็เลยย้อนถามหลวงปู่ว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์ ตัวนี้หรือเป็นตัวดับทุกข์ท่านว่าใช่ตัวนี้แหละดับทุกข์เพราะเวลาเข้าไปไม่มีทุกข์เวทนาอะไรเจ็บปวดปวดร้าวแม้จะนิดหน่อยก็ไม่ปรากฏในขณะนั้นนี่ท่านอธิบายเรื่อนิโรธข้าพเจราพยายมถามนี่ว่าเมื่อเป็นที่นี้นิโรธท่านแปลว่าผู้ดับทุกข์คือไม่มีทุกข์ก็แปลว่าดับหมดก็เป็นพันิชพานเท่านั้นตัวนี้หรือเป็นตัวพันิชพานนิโรธนี่หรือตลาดใช่แหละอย่างนั้น แล้วสนทนาแลกเลี่วารู้ซึ่งกั น, นกันในทางาพัฒนาขึ้นข้าพเจ้าฟ้ไม่เคยได้เข้าเรียโรดชนิดนี้สักทีเลยในสมบัติของข้าพเจ้าไม่มีอะไรอืมเมื่อสนทนากันแล้วก็เลิกกันไปและข้าพเจ้าก็เลยลอมไปพิจารณาดูเรื่องิโรดของหลวงปู่ว่าเป็นอย่างไรวันหนึ่งข้าพเจ้าได้นําไปพิจารณา เห็นไหไปจิตคลายสงบลงสงบลงเลยจิตหนึ่งพูดกันว่านิโรดนี้ยังเป็นต้องขานอยู่อืมทำไงยังเป็นต้องขานคาใจทับหลวงเพราะเหตุว่านิโรดนี้ยังมีการเกิดและการดับเคอมีการเข้าและการออกอยู่ไม่คาาจากเหตุและปัจจัยอันเป็นเหตุให้เกิดตัวสัโยศตัวสมุทัยตัวตัณหาตัวอสวะตัวกิเลส เพราะจิตชน้ดนี้ถ้าเข้าไปรวมแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีกิเลสเมื่อถอนออกมาก็เป็นจิตธรรมดาเป็นนิโรธที่ไว้ใจไม่ได้และข้าวเจ้าเลยนึกถึงคำที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่มันวิทัศตักหมาเจรได้เล่าเรื่องของท่านพระอาจารย์กูเข้าี่โลธให้ฟังในขณะที่ท้าะเจ้าจาํารราร่วมกับท่านพระอาจารย์มันนั้นในพระนานั้น ท่านได้ประกาศให้บรรดาสามุติถมายสัตว์ทุกตองล่าในสมัยหนึ่งท่านพร้อยจันกูท่านเข้าไปนมาตการท่านพระอาจารย์มั่นแล้วท่านพร้อยจันมั่นถามท่านพร้อยจันกูว่าท่านกูจากําจายนานไปยังไงภาวนาหลือไม่มี่ท่านพร้อยจันมั่นถามท่านพร้อยจันกูจําได้ท่านพระอยจันกูเลย ตอบทลายท่านพระาจันมั่นว่าก็ผมภาวนาน้อมจิตเขานิโลดมีท่านไพรจันกูว่าท่านพรจันมั่นเลยย้อนถามว่าได้น้อมจิตเข้านิโรดน้อมจิตเขาอย่างไรอืมท่านไพรจันมั่นถามท่านพระจันกูแต่บทลายท่านมาน้อมจิตเข้านิโรดคือทําให้จิตสงบแล้วก็นิ่งอยู่โดยไม่ให้จิตนั้นนึกคิดไปอย่างไรให้สงบและรวมอยู่อย่างนั้น นิวรการ น, นึกน้อมจิตเขานิโรธแล้วเป็นยังไงเข้าไปท่านอาจารย์กูได้ตอบว่ามันสบายไม่มีทุกขเวทนาเวลามันถอนเป็นยังไงเวลามันถอนก็สบายทําให้ตายได้จิตเบาอืมตอนนี้ท่านได้ประกาศให้ทราบทั่วกันบรรดาสารนักเสี่ยอืมท่านอาจารย์มั่นก็เลยอธิบายเรื่องนิโรธว่านโรธะแปลว่าความดับหรือดับ ทุกดับเหตุดับปัจจัยซึ่งเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดทุกข์ทั้งหลายเกิดับอวิชชาตนานาเล็งจึงเรียกว่าเป็นนิโรธจะไปถือเอาว่าจิตที่ไปรวมลงสู่ระวังหรือถีติจิตตนนั่นเป็นนิโรธมันใช่ไม่ได้กันว่าจิตสนิดนั้ น, นถ้าขาดสติปัญญาพิจารณาทางปรัช น, นาแล้วจะไม่ขาดจากสังโยชน์ยังมีสังโยชน์คุ้มเคืออยู่เมื่อถอนมาก็เป็นจิตธรรมดา เมื่อกระทบกับอารมณ์ต่างๆนานเข้าก็เป็นจิตที่พุริสัานและเสื่อมจากความสงบหรือความรวมเฉลี่ย้นในท่านอาจารย์มั่นท่านถามและท่านอาจารย์มั่นท่านเคยประกาศให้ทราบว่าผมก็เลยรู้พิจารณาดูนิโรธของพระหรือเจ้าดูท่านว่ายอย่างนั้นพิจารณาดูได้ความว่านิโรธก็ว่าความดับดับเหตุดับปัใจจัยให้เกิดทุกข์ทั้งหลายเือ ต, ตัณฑ์หนาให้สิ้นไป ตับศาสนาโดมยมาเหลือนั้นนั่นเที่ยงความละตาสนาความบางศาสนาความปล่อยตาสนาความสลักสลักาดจากศาสนานี่จึงเรียกว่านิโรดนิโรดของพระริเจ้านั้นเป็นอาการิโกคือเป็นนิโรธการดับทุกข์อตลอดเวลาไม่อ้าการไมางเวลาไม่เหมือนนิโรดของพวกพลูสีสีไปภายนอกศาสนาส่วนนิโรดพวกพลูสีสีไปภายนอกศาสนานั้นมีความมุ่งหมาย พราะอยากแต่จะให้จิตของตนรวมอย่างเดียวสงบอย่างเดียววางอารมอย่างเดียวแล้วเมื่อจิตถอนจากอารมแล้วก็ไม่นึกน้ อ, อมเข้ามาให้รู้เห็นสัจธรรมคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ทำมันที่ดับทุกข์ในข้อปฏิบัติให้ถึงทำมที่ดับทุกข์ยินดีเฉพาะแต่จิตที่สงบหรือรวมอยู่เท่านั้นว่าเป็นที่สุดความทุกข์เมื่อจิตถอนก็ยินดีเพื่อเพื่ออะไรในจิตที่รวม ตกลงก็เลยชมจิตของตนให้ยึดในเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างและปัจจุบันบ้า ง, างส่วนเดีปัญหานั้นอ่ยังอยู่ย้งเปวนอสวรรคนอนนิ่งอยู่ในหัวใจนั่นเองท่านว่าอย่างนั้ น, น, นที่ท่านแสดงท่านก็นเลยอธิบายเรื่องนิโรธของพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าว่านินโรธคือความดับทุกข์ของพระอริยเจ้านั้น ต้อเดินตามมัชฌิมาปฏิปท า, าการสระขาคือความเห็นชอบดําเนินชอบวาจใจชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบหรือชอบตั้งใจไว้ชอบนี้จึงจะงนิโรธคือความดับทุกข์ดับเหตุที่เกิดทุกข์ท่านได้อย่างนั้นนิโรธของพริเจ้านั้นท่านจึงเป็นนิโรธโดยตลอดการเวลาไม่อ้างการไมางเวลาไม่ใช่ว่าการ น, นั้นจึงจะเข้านิโรธการ น, นี้จึงจะออกจากนิโรธไม่เหมือน นิโรธของควกฤาษีสีไปภา ย, ายนอกพระพุทธศาสนานี้ท่านข้าอาจารย์ใหญ่มั่นภิกษุทัตมหาจราาะการแสดงไห้อืมข้าไปแก้วอะไรจําตามนั้นได้ทีนี้มออเมื่อยูรวมกันในรูแร่งกับหลวงปู่บัวนั่นนะได้สนทนาธรรมะแกเปลี่ยนความรู้ความเห็นซึ่ง ก, กันและกันซึ่งเป็นที่พออกพอใจของกันและกันแล้วโดยมาสมัยหนึ่งขณะนั้นแหละ หลวงปูบัวท่านเคยเข้าวโรดท่านเคยเข้าที่ท่านจันท่านเข้าอยู่สามบันแล้วจึงออกบิณฑบาตตาพระเจ้าไปเรียนถามท่านว่าเป็ยังไงเข้านิโรธบิณฑบ า, าสบายดีจิตมันวนดีไม่มีความเจ็บความปวดอะไรอะไ ร, ะไรที่ปรากฏขึ้นเวลาถอนมาเป็นยังไงตาเจ้าถามเวลาถอนมาจิตก็สบายใจก็สบายกายก็สบายมี ตายเบาจิดเบาสบายดีท่านไรอย่างนั้นทีนี้อยู่มาข้าพรเจ้าก็เลยได้ในมิตรเกี่ยวกับท่านใ น, นมิตรของข้าพรเจ้าด่างๆปรากฏเต็นท์หลวงผู่บัวนั่งอยู่ในกดในมุ่งนั่งพัฒนากับแต่นิ่งอยู่ข้าพรเจ้าก็เลยเข้าไปหาท่านเปิดมุ่งออกแล้วก็พับท่านบ่าเฮ้ย hey, หลวงพ่อ หรือแต่นั่งอย่างเดียวนั่งสงบอย่างเดียวในเพียนระยะบทเดียวเป็นโลกเน็บตาและอมะพาตตายนะต้องออกก็เดินจงกรมเพียนระยบทบ้ังสีนี่ข้าพเจ้าทักท่านในขณะนั้นพอท่านได้ยินท่านสรุกจากที่ไปพระวันอาไปโดยจงกรมและข้าพเจ้าได้พิจัารณาเรื่องนิมิตนี้ได้ความเป็นต้องไหนเจอในหนึ่งได้ความว่าข้าหลวงกูนี่ป่วย รวยมากแทบปรรดาตายแต่ไม่ถึงตายในสองทาภาวนาในบรรุคนทำเป็นที่พอใจนับว่าหายสงสัยทีเดียวนี่วิจนานณ์ใน น, นิดนันรุ่มเช้าก็พากันไปบิณฑบาตขันไปบิณฑบาตขณะที่เดินร่วมกันบิณฑบาตข้าพเจ้าก็ไปเรียนให้ท่านทว่าคืนวันนี้ คอนที่เล่านี้ผมได้นิดของหลวงพ่อท่านย้อนถามมาได้นิดอะไรก็เลยเรียนท่านว่าผมเห็นหลวงพ่อนั่งเฒ้านาอยู่ในมือหลับตานั่งนิ่งอยู่อย่างเดียวผมเลยจะทักว่าหลวงพ่ออย่านั่งมากอย่าสงบมากลุกออกเดินบ้างเดี๋ยวเป็นโรคเนืบตาอัมาพาตพอหลวงพ่อได้ยินผมทักอย่างนั้นหลวงพ่อก็เลยออกไปเดินกับผมท่านว่า ท่านกุศนาเด็กคนเมื่อไดแต่เรียนท่านว่าได้เป็นสังหนในหนึ่งถ้าร้องพ่อป่วยป่วยมากแทบบรรดาายแต่ไม่ตายในทีสองท่าภาวนาจะหายสงสัยในเรื่องของธรรมะดังนี้อยู่มาอีสามวันมาและวหางจากการตสนทนากาบบันสามวันท่านก็เลยมีอาการเจ็บป่วยขึ้นเมื่อท่านเจ็บป่วยขึ้นท่านก็เข้าเนรดเอก ตามเดิมเพื่อรักัาอาการป่วยนั้นหายไปห้ามเข้ า, ขายีดูสามวันน่ะ จ, งออจึงออกจากนิโรดเมื่อออกจากริดอาการไข้อาการป่วยก็ยังไม่หายข้าวเจ้าออเลยไปเรียนถามถามว่าเป็นยังไงหลวงพ่อไข้ตามต่อว่าเวลาจิตมันไปรวมมันก็ไม่มีไข้ไม่มีโรคคือสบายแต่เวลาจิตถอนจากการรวม ออกมาแล้วโรคภัยทั้งเจ็ดก็ยังคือต่อไม่ระละจากขาดขันนี่ท่านว่าค้าใจเย็นถามว่าเมื่อเป็นที่นนี้จะทําอย่างไรท่านได้ตอบว่าเมื่อเป็นที่นี้ก็ต้องเข้านิโรธไปบ่อยเพื่อดับเวทน า, าะอาะประชาเลยย้อนตอบท่านว่านิโรธย่านนี้ก็เป็นนิโรธใช่ว่าวลบหลีกจากเวทนาไม่พิจารณาเวทนาสินี่ตอบกันสนธนาแรกความรู้ ความเล่นซึ่งกันและกันในขณะนั้นและอยู่มาวันหลังอีกท่านว่าือวันนี้ผมได้นิมิตได้ฟวามว่าพิจนาสังขานร่างกายอายุของผมป่วยตานนี้จะถึงแก่ความตายแน่นอนทีเดียวนี่ท่านว่าอันได้ความในนิมิตของท่านข้าพรเจ้าก็เลยย้อนถามท่านว่าจริงหรือจิงท่านว่าอ่า ข้าวเจ้าก็เลยอธิบายท่านังว่าเรื่องคนตายมีสองในในหนึ่งขาดขันมันตายขาดจะลมหายใจในสองสิดลตมันตายตายใ น, ในไหนอันว่าตายในที่หนึ่งคือขาดขันมันตายขาดจะลมอืมก็เลยเรียนให้ท่านพิจารณาอีกย้ำอีกว่าจะจริงหรือไม่เคลื่นหลังมาท่านก็พิจารณา ย, ย้ำอีกท่านว่าจริงอืมข้าเจ้าก็เลยเรียนถวายท่านหล่ะผม ในเรียนให้หลวงอูทราบแล้วว่า่อนนี้ถ้าป่วย่วยถึงแทบบรดาตายแต่ไม่ตายถ้าตายธรรมะจะได้จับความเคือบแคงสงสัยในธรรมะต่อไปข้าพเจ้าได้คัดค้านธรรมะไม่เป็นไรครับไม่ตายอามาแน่นอนอืมขอให้หลวงพ่อย่ำอีเป็นวะที่ีสาบคันกันแน่ว่าตายจริงๆ ต่จากนั้นท่านก็เลยตัดสินว่าท่านจะตายอาจากชีวิตจริงๆเลยสั่งให้ข้าพเจ้าและญาติโยมทำเหตุศพในเรื่องนี้ท่านก็สั่งําสั่ให้ทรงข่าวถึงเจ้าคุณธรรมเกลีพันธุ์ทูจมพันธุโรตุมที่วัอดมม อ, อุดมชุมพรอุดรธานีว่าท่านจะตายแล้วเพราะท่านทรงอายุสัาร ข, ข้าพเจ้าก็เลยทรงไปตามที่ท่านสั่งเบื้องต้นไมอยากจะทําเหตุทำศพ แต่ท่านก็กูเข็นกำลังจําเป็นก็ต้องับเมื่อทําเสร็จ แ, แล้วเอามาไว้ข้างๆไห้ท่านดูแล้วอาการป่วยก็เลยลดหย่อนออกไปนะตามระดับระดับผลบที่ตัวาหายขาดอืเมื่ออาการป่วยหายขาดขึ้นแล้วท่านมาพิจารณาเรื่องนิมิตและที่ท่านดวงทั้งขันได้ประกาศไปนั้นว่าจะตายบนพื้นพื้นทำพามั่งนะว่ามันจะตายไม่ตายมันเป็นยังไงเนี่ ว่ า, มาเมื่อข้าพระเจ้าเห็นอา ก, การอย่างนั้นข้าเจ้าได้ช่อมก็เลยเข้าไปสนทนากับก่านให้อบายท่านว่าอย่างนี้แหละโบราณท่านล่าฟัานตื่นขี้เจ้าของคือฟันมันขี้ออกแล้วมันตื่นขี้มันเข้าใจว่ามนุษย์ความค้อนใจหรือยิงตื่นใจมันก็ตื่นขี้มันมันก็เลยร้องกระโดดโต ด, ดเต้นวิ่งหนีไปเพราะมันตื่น ในระหว่งที่สนทนากันนั่นนะเชื่อว่าด้ต่อท่านเป็นสองในในหนึ่งถ้าหลวงปู่ป่วยป่วยมากแต่ไม่ถึงตายเกือบตายในสองถ้าพูดถึงด้านธรรมภาวนาหลวงปูน่นี่จะเป็นผู้ได้บรรลุธรรมเป็นที่พอใจนะ อาจจะถึงที่สุดดังนี้ข้าพเจ้าได้เรียนถวายท่านท่านก็เลยพิจารณาอยู่มาอีกสามวันอาการป่วยของท่านก็มีขึ้นเมื่ออาการป่วยท่านก็เข้านิโรธสมาบัติเพื่อดับความป่วยความเมตนาเข้าอยู่สามวันไม่ออกจาก นิโรธพอออกมาแล้วอาการป่วยยังมีทีนี่เมื่อถึงสามวันข้าพเจ้าก็เลยเข้าไปหาท่านท่านออกจากนิโรธท่านก็เลยพูดว่าผมพิจารณาดูอายุสังขารของผมในตาวนี้เห็นที่จะดับเทียแล้วเพราะพิจารณาไป ชีวิตของผมเห็นจะมาถึงเพียงแค่นี้ผมอาจจะตายในคราวนี้นี่ท่านว่าและข้าพรเจ้าก็เลยย้อนถามท่านว่าเป็นอย่างไงจรจึงว่าอย่างนั้นเพราะท่านตอบท่านตอบว่าเพราะว่าผมพิจารณาดูชีวิตกว่าจะตายในคราวนี้ข้าพรเจ้า ถามท่านว่าจริงหรือจริงและอธิบายเรื่องความตายถวายขันความตายมีสองประเภทแมงตายขาดจากลมหายใจสองกิเลสมันตายหมายเอาความตายประเภทไหนท่านว่าหมายเอาความตายประเภทที่ขาดจากลมหายใจแทนที่ไหนหลวงพ่อจึงทราบข้าไปเจ้าย้อนถาม สอเวลาผมเข้านิโรธสมบัติจิตขอนออกมาพิจรารณาชีวิตสังขารของตนเห็นว่าจะดับจะม้อยหมอนนะนี่ท่านตอบตามความเห็น่านแล้วหลวงปู่เคยเชื่อไหมเคยเชื่อท่านว่า อ, อย่างนั้นเพราะผมเคยพยิจรารณาอย่างนี้ได้ผลและ รู้เห็นตามเป็นจริงมาทุกรายท่านว่าอย่างนั้นและก็ย้อนถามท่านอีกว่าเวลาหลวงปู่เข้านิโรดนั้นมันเป็นอย่างไรท่านว่ามันสบายสบายไม่มีทุกข์เบทนาเวลาออกมาแล้วมันเป็นอย่างไรเวลาออกมาท่านว่ามันมีแต่ทุกมีแต่ร้อนทุกมาก ผมไม่อยากออกเลยอยากเข้าอยู่นั้นจนตลอดในไหนเลยมันแสนสบายท่านไว้นั้นข้าพระเจ้าก็เลยย้อนตอบท่านว่านิโรธที่หลวงปู่เข้านั้นเป็นนิโรธที่ดับเวทนาไม่ได้ดับได้แต่เวลามันเข้าไปแต่เมื่อเวลามันประรวมอยู่ข้าพิจารณาโดยละเอียดแล้วไม่ใช่ดับเวทนาเพราะมันหลบหลีกไปตางหาก มันไม่สุเวทนาต่างหากนี่โรดแบบนี้เป็นนิโรธที่ขาดสติขาดปัญญาฮนี่อธิบายให้ท่านฟังและเลยยกเรื่องนิมิตที่รายการเรียนท่านฟังสมัย <c oughs> เมื่อไปบินทบาทด้วยกันว่าสำหรับผมนี่ยังไม่เห็นด้วยว่าหลวงกูจะได้ในครั้งนี้ ผมได้การเปลียนให้หลวงปู่ทราบแล้วว่าผมได้ดิมิตกับหลวงปู่ว่าและอธิบายเป็นสองในในหนึ่งถ้าหลวงปู่ป่วยป่วยหนักแต่ไม่ถึงกับคนตายแค่บรรดาตายนี่เป็นในที่หนึ่งในที่สองถ้าด้านภาวนาหลวงปู่จะได้บรรุคุณธรรมสูงอาจจะสูงสด เน่เคยได้เรียนถวายตอนบินสบายด้วยกันหลวงปู่จาได้ไหมจําได้ครับนี่หลวงปู่ต่อผมว่าไม่เป็นไรครับไม่ตายแต่หลวงปู่นี่ป่วยหนักแต่ว่าไม่ตายยีเรศมันจะตายต่างหากหรอครับอย่าวิตกวิจาจ์เลยนี่สนทนากันและขอให้หลวงพ่อหลวงปู่พี่ใน ในคืนวันนี้แล้วก็เลิกกันไปเมื่อเลิกกันไปวันหลังมาข้าพเจ้าเข้าไปในตอนเช้าท่านว่าแน่นอนทีเดียวต้องตายแน่ๆไม่เหลือแหละท่านว่าในชีวิตนี้แล้วก็เลยสั่งให้ข้าพเจ้ากับพวกโยมฟันหิบฟันศพลอว้เรื่องนี้ได้ประกาศกันไปนะถึงอุดรแล้ว ถึงเจ้าคุณธรรมเจดีแล้วเพราะท่านให้ทรงข่าวไปให้เจ้าคุณธรม ร, ร, รมเจดีทราบว่าหลวงปู่จะตายแล้วปงอายุสังขานแล้วนี่ท่านประกาศท่านให้ทรงข่าวข้าพเจ้ากดันท่านคัดข้ า, ทานทาน่านคัดข้านอย่างไรท่านก็ไม่ฟังเสียงจําเป็นต้องโหเข็นคำรามให้ทําหีบทําศพให้ได้ข้าพเจ้าพร้อมโดยญาติยอมจําเป็นก็เลย าการทําเมื่อทำเหตุสบเสร็จแล้วเอามาไว้ข่านเคียงท่านกใกล้ๆท่านไอ้ท่านดู ท, นท่านเนาาห็นพอทำเหตุเสร็จอาการของการป่วยกว็าหายทุเลาลงไปเรื่อยๆจนหายหมดทีเดียวทีนี้เมื่ออาการป่วยหายแล้วข้าพระเจ้าก็เลยข้าไปสนทนากับท่านทานกระบวนพุ่มๆพําๆเรื่องอาการป่วย เรื่องข่านเข้านิโรธจะมาบัได้นิมิตได้วามว่ามันจะตายไม่ตายนะทำไมมันพูดอย่างนี้ทำไมมันหลอกลวงท่านบนพึ้พึมพืม พ, พ, พอยู่ดูเหมือนจะตื่นนิมิตหรือยานของตนสักจะเกิดความกระดากไปเสียแล้วนเมื่อได้ช่องดังนั้นข้าพระเจ้ากันเลย หรือโอกาสนะพูดอธิบายให้ท่านฟังว่าอย่างนี้แหละโบราณท่านว่ า, วาวกวนฤกเข่งมันขี้แล้วมันตืนขี้ของมันมันร้องนะขี้ตกออกจากก้นจากตูดของมันแล้วมันร้องมันตืนเข้าใจว่าเป็นคนคว้างก้อนหรือรูอ ป, ปืนใส่เอินกระโดดก็เด็ก <c oughs> โลดเต้นนี้ที่เอิน เนี่ยสวงปู่นี่เตือนนิมิตของตอนนั่นผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าถ้าป่วยป่วยหนักแคบบรรดาตายแต่ไม่ตายนี่เป็นฝ่ายป่วยถ้าเป็นฝ่ายภาวนาฝ่ายธรรมนะต้องใดบรรลุทมยานเป็นที่พอใจดังนั้นนะ เพราะว่าในคณะที่ผมนิมติตเห็นหลวงปูนงน่นั่งนี่จะนั่งภาวนาอย่างเดียวนั่นนี่สมยัยนี่หมายคืมว่าหลวงปู่มีแต่พักความสงบอย่างเดียวใช้แต่ความสงบอย่างเดียวอยู่ด้วยความสงบอย่างเดียวชมแต่ความสงบอย่างเดียวและบางครับหรือบริกรรมให้แก่จิตรวมอย่างเดียวเมื่อจิตรวมก็มีความชมเชยยินดีในจิตรวม เมื่อถอนจากการรวมก็ไ ป, ปยึดถือเอาจิตที่รวมนั้นเป็นอารมณ์น่ะอยู่อย่างนั้นนน่ไปยึดถือเรื่องอดีตอนาคตนี่ไม่เห็นปรากฏว่าจิตของหลวงปู่นั้นตัดสังยตตอนไหนนี่แล้วถือว่าจิตรวมนั้นแหละเป็นนิโรธน่ะมันเป็นอย่างนั้นถ้าหลวงปู่ทำอย่างนี้ มันก็ตกอยู่ในสังขาร น, นั่นเองอมันไม่พ้นไปจากทุกไรจิตถอนขึ้นมาก็โดนทุกอยู่นั่นมันละไม่ได้และว่าปงสังขารองชีวิตว่าจะตายเท่านั้นเองส่วนนิโรธของพระอริยเจ้านั่นหาเป็นเช่นนั้นไหมเมื่อจิตของท่านลงสู่ทีทิจิตถอนจากทีท่ิจิตแล้วท่านก็นพิจารณาสามหาเหตุและปัจจัย ของทาท้งหลายหริอยินาทุกยินาเหตุให้เกิดทุกแล้วมันก็รู้เรื่องกันเท่านั้นท่านก็ดับทุกดับเหตุให้เกิดทุกได้เท่านั้นนี่ในโลดของพระอริยเจ้านี่ผมได้ฟังพระโอวาทของท่านอาจารย์มัน่นปุริคัตตะมหาเชระที่คณะจํมมันสาร่วมท่าน ท่านในเล่าเรื่องนิโรธสมาบัตินะเหตที่ท่านเล่าเพราะท่านพระอาจารย์กูในสมัยนั้นท่านไปนริตรการท่านพระอาจารย์ใหญ่มันแล้วท่านพระอาจารย์กูได้เล่าเรื่องนิโรธของท่านถวายพระอาจารย์มัน่นก่อว่าแท้ที่ท่านพระอาจารย์กู เล่าเรื่องนิโรธของตนฟังนั่นท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นถามเะก่อนว่าท่านกูภาวนาเป็นอย่างไรนี่เบื้องตน้นพระอาจารย์กูก็เลยตอบผวายท่านพระอาจารย์มั่นว่าผมภาวนาเข้านิโรธอยู่เสมอๆในพระอาจารย์กูตอบท่านพระอาจารย์มัน่นพระอาจารย์มัน่น ถามพระอาจารย์กู่ว่าเข้าอย่างไรท่านกูเข้านิโรธพระอาจารย์กูเลยเรียนถวายบ้าผมน้อมจิตเข้าสู่นิโรธเวลาจิตลงสู่นิโรธนั้นไม่มีทุกขะเบทนานะอย่างนี้เวลานั้นสบายแสนสบายผมน้อมจิตเข้าสู่นิโรธเลยนี่ท่านพระอาจารย์กูท่านอาจารย์มันท่านเล่าให้ฟังเวลาถอนออกมาเป็นอย่างไรนี่ท่านอาจารย์มันถาม เวลาถอนออกมาก็มีทุกขเวทนาเป็นธรรมดากิเลสเป็นอย่างไรอ่ากิเลสมันก็สงบอยู่เป็นธรรมดาบางครั้งก็สงบบางครั้งก็มีกําเริบขึ้นแน่ทานนน่านอาจารย์มั่นนะท่านอธิบายเล่าเรื่องของพระอาจารย์กูแล้วท่านพระอาจารย์มั่นเลยอธิบายเรื่องนิโรธของท่านพระอาจารย์กูว่านิโรธแบบนิโรธนิโรธสมมุติ นิโรธบรญญัติเพราะเป็นนิโรธที่น้อมเข้าเอาไม่มีตัวอย่างของพระอริยเจ้าน้อมจิตเข้านิโรธใครจะไปน้อมเขาได้แง่เมื่อกิจที่ยังหยาบอยู่จะไปน้อมเข้านิโรธอันละเอียดไม่ได้ทันเวลนั้นเหมือนกับบุคคลที่ไล่ช้างเข้ารูปูใครจะไล่เข้าได้รูปูมันลูเล็กๆหรือเหมือนบุคคลที่ เอาเชือกเส้นหใหญ่ๆไปแยกเข้ารูเข็มมันจะแยกได้ไหยท่านว่าเพราะนิโรธเป็นของที่ละเอียดจิตที่ยังหยาบอยู่จะไปน้อมเข้าสู่นิโรธไม่ได้เป็นแต่นิโรธน้อมนิโรธสมมุตินิโรธปัญญัตินิโรธแบบนี้นิโรธสังขาร น, นิโรธหลงท่านว่ายอย่างนั้นทีนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็เล ย, เลยอธิบายนิโรธ ต่อไปว่าท่านได้เข้านี้ท่านพระอาจารย์มั่นแหละท่านว่าท่านได้เข้านี้โลดลองดูพิจารณาในนิโรดลองดูท่านว่าอย่างนั้นท่านว่าเมื่อพิจารณาดูแล้วนิโรธคําว่านิโรธคปอแบบความดับทุกข์ดับเหตุให้เกิดทุกข์ท่านว่าน่ะนิโรธคือความดับทุกข์คือความดับตัณหาให้สิ้นไปคือความทําตัณหาให้สิ้นไป ความดับตัณหาโดยม่ให้เหลือนั้นนั้นเทียวความละตัณหาความวางตัณหาความปล่อยตัณหาความสละสละขาดขาดจากตัณหาอันเป็นธรรมเป็นเหตุเกิดทุกข์นั้นให้หมดไปนั้นนั่นเทียวโดยมาให้เหลือจากใจของเราอันนี้เรียกว่านิโรธเป็นนิโรธอยู่ตลอดกาลและเวลาไม่อ้างกาลอ้างเวลาเป็นอาการิโบุท่านว่ายอย่างนั้น ไม่มีการเข้าไม่มีการออกไม่มีต้นกลางปลายนสมันเสมอเลยหาการหาเวลาไม่ได้นะไม่มีการเข้านโรธไม่มีการออกนโิโรธเพราะตับสังโยชน์ทำเหตุให้เกิดทุกข์้นไปดับไปแน่แล้วหมดแล้วก็ช่อว่าเป็นนิโรธะความดับทุกข์ อยู่ตลอดกาลและเวลาอยู่เท่านั้นในสําหรับท่านพระอาจารย์มั่นอธิบายท่านว่านิโรดนี้เป็นนิโรดที่ดับสังขารไม่มีสังขารแล้วพ้รจากทุกนี้จะเรียกว่านิพพานก็ได้แต่ว่าบิสุทธิธรรมก็ได้ธรรมะธรรมก็ได้เป็นธรรมที่ไม่มุ้ยมอนคือไม่ตายเป็นธรรม ท, ที่อยู่เหนือโลกพ้นโลก หมดสมุดหมดบัญญัตษหมดจิริยาเป็นอาเรียไม่มีการไปการมานี่เรียกว่านิโรธสมกับที่ว่าพรามผู้มีเพียนเพ่งอยู่เห็นอยู่ปรากฏอยู่ซึ่งทมแกพรามผู้มีเพียนเพ่งอยู่นั้น ด้วยปัญญาคือด้วยความมีสติด้วยปัญญาซึ่งมีความเปลี่ยนเพ่งอยู่ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาปรากฏอยู่เห็นอยู่ซึ่งทำทั้งหลายแก่ความผู้มีความเปลี่ยนเพ่งอยู่ว่าทำทั้งหลายอ่ายอมรู้ว่าทำทั้งหลาย เกิดแต่เหตุและย่อมรู้เหตุและปัจจัยของตทาทั้งหลายเมื่อทำทั้งหลายปรากฏรู้อยู่เห็นอยู่แจความผู้มีเพียนเึ่งอยู่ด้วยความมีกติปัญญาอันละเอียดเช่นนี้ว่ารู้ว่าทาทั้งหลายเกิดแต่เหตุและมารู้ความขึ้นไปแห่งเหตุและปัจจัยของตทาทั้งหลายนั้นแกความผู้มีเพียนเึ่งอยู่อย่างนี้ ทามทั้งหลายนั้นย่อมหายจากความสงสัยย่อมเป็นผู้มีสติปัญญาสว่างโลอยู่อย่างนั้นย่อมกำจัดมานและเสนมานคือมานและเสนมานได้แก่กิเลสมานดำรงอยู่ไม่ได้หลุดพระอาทิตย์ที่อุทยัย ทำจัดมืดให้อากาศสว่างจัดนั้นนี่เมื่อเป็นเช่นนี้นิโรธคือเป็นผูด้ดับเหตุดับปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทำเหตุทําปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหลายให้ขึ้นไปดับเหตุดับปัจจัย อันเป็นเหตุให้เกิดทุกทั้งหลายโดยไม่ให้เหลือ น, น, นั่นเดียวละเหตุละปัจจัยวางเหตุวางปัจจัยปล่อยเหตุปล่อยปัจจัยละเหตุละปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดทุกคือตัณหานันความนั้นเป็นผู้มีความเพียรเพ่งอยู่อย่างนี้ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญา มากําหนดรู้ชัดว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุและปัจจัยและประทำเหตุและปัจจัยของทำทั้งหลายที่เป็นตัวสังขารเป็นตัววัตตะเป็นตัวสังขารจักให้เสื่อมไปให้สิ้นไปให้หมดไปให้สิ้นไปโดยมาให้เหลือดับเหตุดับปัจจัย้อยไม่ให้เหลือ น, น, นั่นเที่ยววางเหตุวางปัจจัย โดยไม่ให้เหลือนั้นนั่นเี่ยวละเหตุละปัจจัยปล่อยเหตุปล่อยปัจจัยนั่นละเหตุละปัจจัยแห่งคำทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดตกนั้นโดยไม่ให้เหลือนั้นนั่นเถี่ยวนี่เรียกว่านิโรธคือความดับถุกดับเหตุดับปัจจัยให้เกิดตกเมื่อเป็นเช่นนี้ตามผู้มีเพียรพ่งอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่งเหตุและปัจจัยและความสิ้นไปจากเหตุและปัจจัยของทำทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นตัววัตถานทำทั้งหลายนั้นย่อมเป็นผู้กำจัดมารและเสนามารคือกิเลสมารและเสนามารย่อมดำรงอยู่ไม่ได้เหมือนพระอาทิตย์ที่อุทขึ้นย่อมกำจัด เมืดให้อากาศสว่างฉะนั้นไม่มีความสงสัยเลยฉะนั้นท่านจึงว่าเมื่อเวลาจิตลงไปพักคือจิตรวมอยู่สงบอยู่พักอยู่ก็อย่าไปรบกวนจิตให้มีสติรู้อยู่ว่าจิตของเรามาพักมารวมเมื่อจิตพักรวม เวลาจะถอนก็อย่าบังคับจิตให้ถอนให้ถอนเองและให้มีสติเมื่อจิตถอนจากการรวมเกิดจากถือที่จิตเติมพิขณะขึ้นท่านก็ให้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณาเหตุและปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายเท่านั้นนะมันก็ทำลายเหตุปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลาย ที่เป็นตัวเหตุที่เกิดทุกข์ได้เท่านั้นแล้วก็เป็นนิโรธกันเทนั้นจะไปน้อมจิตเข้าสู่นิโรธได้อย่างไรเมื่อไม่มีปัญญารู้ชัดเหตุปัจจัยของธรรมทั้งหลายแล้วมันก็เป็นนิโรธที่เดาหรือเป็นนิโรธที่สมมุติบัญญัติเท่านั้นทิดจากหลักแห่งสัจธรรมดังนั้น เมื่อได้สนทนาปราศัยกันไปซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนอุบายและความรู้ของตาปัญญาของกันและกันต่อฉนั้นท่านก็นำไปพิจารณาขายหลังทราบค่าว่าท่านได้รู้ดีเห็นดีและมีความหายสงสัยในเรื่องทำทั้งหลายขณะที่อยู่ท่ามกลา์ น, นั้นมีเรื่องแปลก เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้คือเรื่องนี้พวกข้าราชการและพระป่ายตรงกันข้ามเขายุแย่ติถิ น, นินทาจะได้ป้ายสีว่าเป็นพระคอมมนิสหรือหัวหน้าคอมมนิส์เมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนก็ตื่นเต้นกันไปวันหนึ่งข้าพเจ้า ออกเดินทางจากคําจันทร์จะไปเวกที่พูภูกํากับการอุดรธานีวิทยุสั่งให้พวกเจ้าหน้าที่ไปรับษารเจเดนประจำำําอําเภอบึงการสกัดติดตามข่าไปเจ้าหวังจะฆ่าให้ตายนั่นเองแต่มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งติดตามไปด้วยแต่ไม่ทันข่าไปเจ้า เมื่อไม่ทันข้าพเจ้าเขาอะไรกับภายหลังเขามาเล่าสู่ฟังว่าอคือเจ้าหน้าที่คนติดตามข้านั่นเองเล่าสู่ฟังว่าผมนี่เองเป็นผู้ติดตามอาจารย์หวังจะฆ่าอาจารย์ให้ตายที่กลางทางแต่ไม่ทันอาจารย์ข้าพเจ้าถามว่าฆ่าเพราะอะไรเพราะเหตุว่าผู้กากับการอุดรสังมาทางวิทยุให้ผมติดตามข้าอาจารย์ทาง ที่นี่เมื่อข้าพเจ้าได้ลงจากภูวมาพักที่ภูกระแตอำเภอบึงการกับพระภูหนูคุณในคณะที่พักตอนกลางคืนเจ้าหน้าที่สี่คนสายตำรวจทหารเข้ามาหาข้าพเจ้าแล้วเขาก็พูดว่าที่ผมมานี่ได้สั่งได้รับคำสั่งจากผู้กับการอโดยให้พวกผมมาสืบ อาจารย์ว่าเป็นโง น, น่าคอมมินต์เขามีความสงสัยอาจารย์เป็นจริงไหมเขาพูดอื่นแล้วอาตมาก็ย้อนถามเขาว่าสำหรับคอมมินต์เป็นอย่างไรเขาตอบว่าพวกคอมมินต์เขาไม่มีศาสนาทุกศาสนาไม่มีไม่ให้มีคนทุกไม่ให้มีคนมีให้มีเสมอกันตัวนสมบัต ไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนให้เป็นของถุนกะดังนี้แล้วข้าพเจ้าย้อนถามเขาว่าขอมนตเขานุ่งอย่างไรเขากินอย่างไรลูกเมียเขามีไหมเขาว่ามีเขานุ่งการแกงนุ่งธรรมดาชาวลูกเขาลูกเมียเขาก็มีเขาก็กินอาหารกินวันหนึ่งกีไร่สามมือสามหนเขาว่าและเขามี โกนผมไหมไม่มีอ๋อข้าพระเจ้าได้ตอบคับว่าเมื่อเป็นชนีขามันนิดมันมีลูกมีเมียนุ่งเสือ้อนุ่งกางเกงกินอาหารสาม ม, า ม, มื้อหัวไม่ร้อนน่ไม่าตรอาวุธเน่ส่วนอตาตมาเน่ลูกเมียไม่มีกินข้าวหันเดียว ว่าก้อนนุ่งหอมผ้าคาซาพัดจะหาว่าเป็นคอมมินิตยอย่างไรได้นี่พูดกับเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นอืมถ้าพระถ้าคอมินิตไม่มีศาสนาทุกศาสนาแล้วแล้วอาตมาก็เป็นพระบวชในพุทธศาสนาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่อือจะสงสัยว่าพระธุดง์กรรมฐานผู้ปฏิบัติ อยู่ตามป่าตามเขาเป็นคอมนิสตแล้วจะเาพระที่ไหนในเมืองไทยจะเอาพระที่กินข้าวคำข้าวเย็นไม่ลูกมีเมียนั่นหรือจึงคือว่าแปนพระไม่ใช่คอมนิสต์ถ้ายังสงสัยว่าพวกกัตมานี่เป็นพระคอมนิสต์แล้วสมเด็จพระสังฆราชยิ่งเป็นตัวใหญ่เป็นคอมนิสต์ใหญ่ อีกพระพุทธเจ้าก็เป็นปู่คอมนิตเท่านั้นออืคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละล้วนแล้วเป็นคำสอนลัทธิของคอมนิตกันเท่านั้นเองไม่มีความหมายเลยในพุทธศาสนานี่ได้พูดกับเจ้าหน้าที่เมื่อเป็นชนีดก็พวกคุณ น, นี่เองพวกรัฐบาลนี่เองเป็นตัวคอมนิต์ใหญ่มันหาวใบร่มศาสนาคนศาสนาเท่ง ไม่ต้องสงสัยเลยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดสอดขึ้นว่าโธ่ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้พวกผมตายหมดไม่มีที่พึ่งเขาว่าอย่างนั้นท้าเจ้าเลยว่าต้องพูดตามคนจริงเพราะความจริงเป็นอย่างนี้ตายหรือมาตายก็ไม่รู้แหละนี่อย่าไปสงสัยพระทุดงกรรมฐานเลย